พระธรรมเทศนาลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าการอยู่ร่วมกันของหมูคณะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แตุลาคมพุทธศักราช2554บางคนมาอยู่กับวัดหลวงพ่อทำท่าละงงละแง่ง ทำท่าเกียรติคนเดี๋ยวอีกสักวันหนะ่งหลวงพ่อจะให้ออกไปอยู่ตามลําพังออกไปจากออกไปจากวัดเพื่อการศึกษานะเพื่อการเรียนรู้ก็จะได้รู้ว่าอันไหนคือชุมชนอันไหนคืออยู่คนเดียวสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยเคยมาแล้วนะเคยมาแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจึงหยวนได้ แต่ถ้าว่าผิดหลักธรรมวินัยหลวงพ่อยวนไม่ได้แต่ผิดกฎ แ, และเบียบผิดกฎและเบียบพอหยวนได้อยู่เพราะต่อไปภายปางนาอาจจะตึงก็ได้อาจจะยอนก็ได้อาจจะเข่งคัดขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าหากว่าผิดหลักธรรมวินัยนั้นอันนั้นไม่ได้เพราะผิดศีลเนี่ยเหยียบย่ำทำลายกฎระเบียบศีลวินัยไม่ได้ไ แต่ว่ากฎระเบียบที่เราตั้งขึ้นมานี้พอจะอยู่นได้พอเหตุใดพวกเราพวกเราอยู่ด้วยกันหลายๆองค์อยู่ด้วยกันหลายองค์กดนั้นใจบัง่งคนนั้นคนนั้นบังคนนี้บัง่งเราก็ต้องยืดหยุ่นต่อกันไม่ใช่ไปเอาอย่างแต่ใจตัเอียงทุกอย่างเปี้ะมันก็ไม่ได้พวกครอบครัวของเราก็เหมือนกันถ้ามี สองตายายอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีกฎหรือเปียะอะไรอยู่ด้วยกันง่ายๆแต่ยิ่งอยู่คนเดียวหลวงพ่ออยู่คนเดียวยิ่งสบายไม่มีใครมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าว่ามีสองคนขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อพูดมันก็ต้องมีภาระก็ต้องแบ่งแบ่งเวลาให้ตัวเองให้แก่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันสององค์ถ้านสามองค์ขึ้นมาก็ต้องแบ่งเวลา อย่างที่หลวงพ่อนมีพระทั้งสี่สิบกว่าองค์มีญาติโยมเป็นรนะ้อยแต่ละวันที่มาเกี่ยวข้องเราจะทำยังไงเราก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาสะดวกไหมบางครั้งก็เหมือนกับจูงหมาใส่ฝนอย่างที่ว่านนะั่นแะแต่ทำไงได้พอเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องออกมาต้อนรับขับสู้เป็นธรรมดา นี่แหละอันนี้ก็คือมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันที่จะอยู่เอาตามความคิดเห็นตัวอิตัวเองถ้าข่ายชอบอย่างนี้ข่าจะทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันหลายคนมันต้องยืดยตนแต่การยืดอยู่นนั้นเหมือนกับเราปล่อยปละละเลยย่อนใช่บางครั้งก็ต้องมีเพราะมันหลายคน ให้ตึงเปี๊ยไม่ได้อย่างฟัดป่าบ้านตาดก็เหมือนกันสมัยก่อนหลวงพ่อเข้าไปใหม่ๆปี2512อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพระจะฉันน้ำร้อนนี่ไม่มีไม่มีน้ไม่มีการต้มน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำชาำไม่มีเลยพอปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ตางโงงก็ตางเข้ากุฏิของใครของเรา คือบ้านตาสมัยนั้นหลวงตาท่านก็นมีพระทั้งหมด16องค์ที่หลวงพ่อเข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต่างองค์ต่างไปฉันไอต่างองค์ต่างกับกุฏิก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรที่จะฉันเว้นเสียแต่วันไหนมีงานถ้ามีงานก็คืองาน ทำความสะอาดบ้างงานอะไรบ้างก็แกแกๆทำทางบ้างคือเขามาเททางทำถนนถนนไปบ้านตาดนะบางทีเขามาเทดินเสร็จแล้วเอาพรนะเนี่ยไปเคลียร์ไปเขียด เ, เขียดดินลงลงถนนลงหลงุมไม่มีรถไถแล้วสมัยนะั้นจากนั้นก็เอาพระใช้ลูกบดหลายหลายองค์ 3-4 มสี่ห้าองค์ดึง ถึงลูกบทบทถนนเสร็จแล้วกรตตางองค์ก็ต่างกับเออถ้าวัวันนั้นได้ฉันน้ำได้ฉันโกโก้ได้ฉันโกโก้ได้ฉันกาแฟวันนั้นถ้าวันงานเหงื่อแตกเหงื่อไหลก่อนก่อนจะมาฉันได้กันวันธรรมดาไม่มีพอต่อมามีพระฝรังเข้ามาบวช เป็นเพื่อนท่านปัญญาวุฒโธเนะ่ยเป็นเพื่อนกันแต่สมัยเป็นนักศึกษาด้วยกันแต่เขาทํางานเป็นหัวหน้าเป็นดรฟิลลิปอายุเท่าๆกันกับท่านปัญญานะแต่เขาเป็นหัวหน้าบริษัทเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยนักคอมพิวเตอร์ยังไม่มีในเมืองไทยแต่ฟินประเทศอังกฤษเขามีแล้วแต่นี้เขาก็เห็นท่านปัญญาบวช เขาเคศึกษาธรรมะเขาก็อยากจะบวชพอบวชแล้วเขาก็เขาก็อยากมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพอมาอยู่แล้วเขาก็จะบวชพอบวชเขาก็บวชที่วัดบวรนเขาก็มาอยู่ต็นหลงตาเห็นเท่นะเห็นพระผินเด็บองเดียวท่านนะ่ะท่านบอกตอนนี้ไปตอนเย็นก็จะต้มน้ําร้อนฉันก็โกโก้ฉันก็ได้นะเพราะว่า มีพระฝรัง่งเขามายู้ด้วหมูด้วยคล้ายๆว่าเขาเป็นคนมีความสุขุมสุขุมราชาติคล้ายๆกับว่าผ่านความสุขมาแล้วจะมาอยู่แบบทรมานอย่างนี้คงไม่คงไม่ไหวท่านก็ยืดหยุ่นพอยืดอยุ่นเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นก็ฉันฉันน้ำตอนบ่ายๆก็ฉันฉันน้ำอันหนึ่ง ตอนเย็นปัดกวาดแล้วกับชั้นโกโก้ก่อนที่จะก่อนที่จะปัดกวาดก็มีน้ําแข็งที่โยมสาครสมัยนั้นน่ะเขาลึกบีบรถบัสจากกรุงเทพเขากูวิ่งเข้ามาสงอาทิตย์ละสี่ลังอาทิตย์ละสีลังประมาณพาทั้งสิบก่อองก็ชัน้ําแ ป, ป๊บสี่โคโล่สมัยนั้นน้ำอยู่เนี่ยนอยู่เนียน กันน้าแข็งก่อนปัดกวาดจากนั้นก็ปัดกวาดเสร็จแล้วกัชั้นโกโ ก, โ ก, โ ก, โกโ้กาแฟตามที่มันมีท่านก็ไม่ได้สั่งเข้ามาหรอกแต่มันมีมาอย่างไรต้องให้ชั้นอย่างนั้นอันนี้คือที่เราอยู่ด้วยกันพระทั้งหมด10กว่าองค์มีพระฝรั่งเจ็ดองค์มีพระไทยอีกห้าหกองหลวงตาไม่รับพระมากอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันสมัยสมัยรุ่นแรกๆ พอต่อมามีพระขึ้นมาขยายขึ้นมาอีกประมาณสิบยี่สิบองค์โดยมากพระฝรังท่านโดยมากได้รับการศึกษาอย่างที่ว่านะพอคุยกันแล้วก็นั่งคุยกันเสร็จนะพอฉันน้ําชาเสร็จแล้วน้ําร้อนเสร็จแล้วก็คุยกันพอเห็นหลวงตามากระแตกไปคนละทางพระฝรังก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่จะกลัวพระไทยนะหลวงตาไม่ได้เลือกใครนะ่ะมาแต่เปี้ยงทันทีแหละไหนไปคนละทิศคนละทิศคนละทาง เ, เสียใจนี้สังเกต พระฝรังมาฉันพอแตกไปท่านก็รู้ว่าทําไมพอฉันจังพอฉันน้ําแล้วมันน่าจะเลิกลาการปัดกวาดบ่ายสามโมงเสร็จแล้วบ่ายสี่โมงกว่าห้าโมงฉันนําก็ น, น่าจะเลิกกันได้แล้วอันนี้ห้าคือหโมงกว่าเกือบ6กโมงหกโมงนะ่ยมันก็ยังไม่หยุดกันนะท่านก็เดินลงมาบางทีท่านก็พิมพ์หนังสือนะลงตาพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่มัน่นปฏิปทาเนี่ยท่านพิมพ์ ด้วยเ ค, เครื่องพิมพ์ดีดอายุของท่านก็หกิกว่าปีแล้วแก่กว่าลุงพ่อเดี๋ยวนี้ทีดลงตาพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็พิมพ์เสร็จแล้วกันก็เดินเยียดเหยียดเส้นเหยียดสายลงมาพวกผ้าเนี่ยเห็นก็แตกมือกันแต่โดยมากพระไทยเนี่ยตาไวอยู่แล้วแต่บอกเอ๊ะมันทำมาอย่างไงเนี่ยมันลงน้ำร้อนเนี่ยมันอย่างเงี้มันจะปิดนะหรืปิดลงน้ำร้อนนะจะมายุ่งนะ จะมาให้ฉันพวกลงน้ําร้อนนะเล่าหนักใจเนาะแต่ก็ทั้งว่ไม่ปิดแต่ก็ขู่ไปยังงั้นน่ะแต่ก็ขู่ไปงั้นแต่หนักใจมันต้องหนักใจเพราะลูกน้องทําให้ถูกก็ต้องหนักใจเป็นธรรมดาลูกผู้เป็นหัวหน้านี่ไม่รู้จะทํำยังไงพอปล่อยออกไปแล้วเนี่ยให้ฉันผลที่สุดพวกเราอยู่ด้วยกันหลวงพ่อก็เป็นพระ ตมาก็มีอายุพรรษาขึ้นเรื่อยๆเราจะทํำยังไงทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หนักใจเนยถ้าเราไม่ตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนตั้งกฎแต่จะให้ท่านตั้งกฎคงไม่ได้พวกเราก็ไปชุมหารือกันแต่เนี่ยพระลูกวัดจากนั้นลุงพ่อก็ตั้งกฎขึ้นมาเอาตั้งแต่ บ, บัดนี้ไปนะเราควรจะฉันน้ําร้อนก่อนปัดกวาดพอปัดกวาดแล้วให้เก็บเลย ให้เก็บเลยให้เก็บโรงน้าร้อนทั้งหมดไม่ให้มาฉันต่ออีกพอฉันเสร็จตอนบ่ายแล้วก็เก็บเลยใครจะว่ายัางไงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงให้เก็บนะแต่ถ้าท่านพ่อแม่ผู้จารหลวงตามามีอะไรถามบอกมาหาผมผมจะเข้าไปกล่าวเรียนท่านเราจะพยายามแม่ท่านหนักใจเราช่วยกันนะ อยากมั่นนาก็เลยทําอย่างที่ว่านะแต่ไม่ไม่เป็นที่พอใจของพระฝรังเป็นอย่างมากเหมือนกันใหม่ๆนะเพราะว่าเราอธิบายให้ฟังยังไงเขาก็คืออยากจะให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมานั่นมันบีบกันเกินไปมันไม่ใช่ประชาธิปไตยว่างั้นแต่มันเป็นกา ร, รเผด็จการเกินไปลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงเรามาอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้อง มองดูว่าท่านหนักใจเรื่องอะไรเราก็ควรจะทำให้ท่านเบาใจไม่ใช่ว่าจะมาเห็นแก่อยู่แก่กินแก่รลับแก่นอนแก่โม้แก่คุยในวัดของท่านถ้าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของของพระผู้เข้ามาศึกษา เ, เพราะการอยู่การฉันก็ตามก็ฉันเพื่อพอประมาณท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวของท่านนะอย่างพระที่อุปถาก์ท่านก็เหมือนกันจะถือว่า ข้าไปเจ้าเป็นใหญ่เข้าไปเจ้าเป็นบุคคลสําคัญไม่ได้ผู้ที่เขามาใกล้ท่านเท่าไหร่ยิ่งอ่อนน้อมอย่างหลวงพ่อเนี่ยเขาไปใกล้หลวงตาเท่าไหร่ยิ่งอ่อนน้อมต่อหมูอย่าเขาจะอย่าให้เขาได้พูดว่าข้าไปเจ้าในกลางหลังแกพระผู้น้อยใช้อํานาจครูบาอาจารย์มาเหยียบเขาสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดอีกเหมือนกัน เ, เราจะไม่ทําเราจะไม่พูดสิ่งไหนที่มันจะกระทบหมูพวกเพื่อนะ อันนี้ก็คือการอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หอยู่กับองค์หลวงตาการอยู่การฉันก็เหมือนกันเราได้ตั้งเป็นพระบาลีขึ้นขึ้นเลยว่านาเหตูป ah e ิเกริยะปาปังนาเหตตูปิเกรยะปาปังพระพุทธเจ้านตรัสไว้เป็นบาลีไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กิน ไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินเราจะไปขโมยกินอยไปกินแบบจุบจุบจิบจิบที่มันผิดแล้วอยากกินมันผิดต่อวินัยแล้วอยากกินอย่าฉันอันนี้เรานำไปใช้ในคาวาสก็ยังได้คาวาสก็เหมือนกันถ้าเห็นแก่ปลาแก่ท้องไปฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าสัตว์กินทั้งที่มันทุกสัตว์ที่มันได้รับที่เราถูกฆ่านะมันทุกะ สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดที่เหมือนกันเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรไม่เห็นแต่เห็นแก่ปากแก่ท้องเท่านั้นแล้วก็ทําความเห็นแก่กินต่อคู่คนที่เดือดร้อนเมืนะ่อเราเป็นพระก็เหมือนกันเราก็มาบวชเราจะไปเห็นแก่ปากปากแก่ท้องก็ไม่ได้เราก็ต้องเห็นแกท่ทำที่ไหนเนว่าะนายเหตุูปิกริยะปาปัง ไม่ควรทำบาปพ่อเห็นแก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วก็ทำบาปเมื่อทำบาปไปแล้วตกนระกหมกไหมไม่รู้เท่าไหร่นี่แหละอันนี้แหละคือจุดหนึ่งที่หลวงพ่อเป็นสมมเนนสมัยนั้นหลวงเท้าความไปถึงสมัมมเนนที่หลวงพ่ออยากจะศึกลาศิกขาลาสิกขาหลวงปู่หลวงตาท่างบอกเราศึกออกไปเนะี่ย เราเป็นชาวนานะเราจะต้องค่ากบค่าเขียดค่าปูค่าปลาค่าอะไรต่อมิอะไรก่อจะมาเลี้ยงชีพตัวเองจากนั่นก็เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันจะมากขนาดไหนเพราะนั้นเราเป็นนักพจนักบวชมีอะไรก็ฉันอันนั้นมขนีข้าวก็ฉันข้าวมีพริกก็ชันพริกเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วก็บำเพ็ญไปแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ไป เมื่อเขาทําบุญมาแล้วก็แผ่อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เขาด้วยที่เขางดเขาลดละยังไม่ได้ในจุดนี้เราเป็นนักพจนักบวชเราเป็นนักภาวนาก็พร้อมที่อุทิศแผ่อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่เขาเราก็จะไม่ได้ทำบาปแต่ส่วนอื่นส่วนอื่นนั้นจะว่าเอาเห็นแก่ตัวเพราะเขามากเขาทํามาให้และแก่เราใช่ถ้าเขางดได้ก็ดีแล้วก็บอกทางงดอย่างเรานี่ก็ดีนะ พวกเรางดได้งดเราก็ดีแต่งดไม่ได้ก็เอาทําไปแต่จะทํายังไงได้เพราะเลี้ยงชีวิตแต่ว่าทางงดได้อย่างเราก็ดีแต่เราไม่ได้ใจเห็นแก่ตัวทุกคนก็ต้องดูตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือเรางดมาแต่ข่าวนู้นแต่จะเป็นสมมเนนแต่เนนเป็นเนนอินมางั้นแี่อยู่ในศาสนาได้นี่ก็คือจุดนี้จุดหนึ่ง ที่ตัดจิตตัดใจมองไปแล้วอือใจมันยาวเหยียดจริงๆในการที่จะทำความช่วยช้าเสียหายทำเห็นแก่กินแก่ปากแก่ท้องนะ่าเหตุตูปิกริยาะปลาปังตัวนี้เพราะการทำบาปเพราะเห็นแก่กินนี่แหละสิ่งเหล่านี้พจนพวกเราอยู่ด้วยกันหลายๆองค์หลายๆคนจะให้ย่าได้อย่างใจตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ แล้วข้าไตยใครก็ตามอยากให้ได้อย่างใจตัวเองนะหนีแอนี้ออกไปจากวัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะอยู่ตามลำพังฮะนี่แหละทางมาพวกใดถ้าอากจะรู้จักยืดหยุ่นกุารอยู่ด้วยกันต้องยืดหยุ่นใจเขาใจเราแต่ถ้ามันผิดกฎระเบียบเออว่ากาันตามผิดกฎระเบียบมันเกินไปพวกท่านทั้งหลายก็รู้พราเขามาศึกษา มาศึกษามาอยู่กับหลวงพ่อนานอันไหนควรไม่ควรอย่างไรหรือว่าพวกท่านมาเป็นทับ พ, พีชแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงอย่างนั้นหรอมาแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงมีแต่เกลือกับพริกมันจะกัดกอนลงไปถ้ามาดูเพื่อการศึกษาและต้องรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเพราะเข้ามาศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อมานอนมาแช่อยู่เหมือนกับทับ พ, พีชแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกง ถ้าแช่อยู่ในหม้อกแกงนั่นนะอะไรก็ไม่รู้มันเห็นแต่แก่ตัวแล้วนั่นแหะแล้วมันมาอยู่ที่นี่การภาวนาละ่ะเราทําเต็มที่หรือเปล่าแล้วใครไปไปปิดปิดจมูกของท่านไว้ใครไปเอาเชือกมัดขาท่านไว้ตื่นอย่างกลมเสียงเหล่านี้เราก็ต้องทําพอฉันจะขันเสร็จแล้วก็ไปที่ภาวนาทั้งวันก็ได้ เดินโยกรมทั้งวันก็ได้ไม่ต้องมาดูหมูอกถ้าเรามาดูหมูมันก็เห็นหมูนั่นแหะไม่ว่าตะหมูนะ่ะเห็นไส้เดือนไหมเห็นหมดไหมเห็นลิงไหมเห็นกีกงกือไหมสัตว์ในโลกมีต่้งเยอะแยะไปเราก็มองหมูพวกเพื่อนที่ไม่ดีออเอเอ หมาไอแบกหมาไอแบนไปหมาไอจิโก้ไปเราเนี่เป็นเทวดาก็ว่ากันไปอย่างนั้นทำาไมเราจะไปหากัดหมาถ้าเราเป็นเทวดาสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ให้คิดหน้าเดียวนะหลวงพ่อบหลวงพ่อสอนสิทธ์ไม่ให้คิดหน้าเดียวนะให้คิดหลายๆมุมกลับไม่ให้คิดหน้าเดียวถ้าคิดใครใครคิดหน้าเดียวนะ่ะมันมองไป มาหน้าเดียวมันม้าอินเดียมองชั้นๆถ้ามองไกลมันก็ต้องรู้ว่าเปรียบเทียบเขาเราการอยู่ด้วยกันมากนานาจิตตังนานาทัศนะต้องมีความคิดเห็นหลากหลายแล้วพวกท่านจะแก้ไขตัวเองอย่างไรพวกท่านจะประปับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรเพราะผู้มาอยู่ในวัดของหลวงพ่อผู้รอบคอบก็มีผู้ไม่รอบคอบก็มีผู้โง่ก็มีผู้ฉลาดก็มี ผู้เห็นแก่ตัวก็มีผู้เห็นแก่อยู่แก่กินก็มีผู้เห็นแก่หลับแกนอนก็มีผู้เห็นแก่การภาวนาเพื่อการศึกษาก็มีหลวงพ่อไม่ได้มองไปแหนในแง่เดียวผมพ่อมองไปรอบด้านทั้งหมดทั้งคณะศรัทธาญาตโยมาเกี่ยวข้องทั้งคณะพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยหลวงพ่อมองเหมือนกันนิ้วมองนิ้วมือหลวงพ่อ น, ะนิ้วโป้งทำไมใหญ่ทำไมใหญ่ทำไมทําไมจริงสั้น น, ะนิ้วชี้ทาไมมันยาวแต่มัน มันไม่ไม่เหมือนเที่ยวกลางเที่ยวกลางมันทำมายาวกว่าเพื่อนไม่เหมือนเิ้ยวนางเท้วนางทําไมมันเที่วก้อยทำมันเปจังเล็กแล้วทําไมจึงสั้นกว่าเพื่อนหลวงพ่อบองนิ้วมือของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกลักเที่ยวมือของหลวงพ่อทุกนิ้วเหมือนกันจะไปตัดนิ้วโป้งทิ้งก็ไม่ไม่ใช่เรื่องจะไปตัดนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทิ้งก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเพราะนั้นต้องมองให้เห็นว่า นิ้วมือของหลวงพ่อนมีคุณค่าอย่างไรแต่ละนิ้วเพราะะฉนั้นคณะัาตาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็เหมือนกันแต่ละคู่แต่ละคนหลวงพ่อให้ความสําคัญทั้งหมดเป็นลูกเป็นหลานมีอะไรที่จะต้องให้หลวงพ่อช่วยเหลือพอที่จะเป็นไปได้ชุมชนหลวงพ่อไปหลวงพ่อช่วยอะไรต่อชุมชนต่อสาธารณประโยชน์แต่มีความจําเป็นเอาของบอกมาพอที่จะช่วยได้ ช่วยไม่ได้หลวงพ่อเอยช่วยไม่ได้ยอมแพ้เลยลูกหลานเอ้แต่ให้ความเมตตาทุกคนเพราะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะไม่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายพูดแล้วอะจะไม่อยู่ถึงร้อยปีเนี่ยในหกสิบกว่าปีแล้วจะอยู่กับพวกลูกหลานไปอีกเท่าไหร่ต้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมต่อพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่พอจะพูดได้ให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเอาพูด ที่หลวงพ่อพูดไปก็ได้ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมามากต่อมากว่าเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังเป็นแนวความคิดมากหลากหลายต่อผู้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดนะแต่ผู้ใดก็ตามหลวงพ่อไม่ได้สงวนนะแต่ผู้ใดก็ตามไม่อยากจะฟังท่างผูดด้ในฟังแล้วไม่อยากฟังดูทําไมอยู่ไปทาไมขวางทาไมหลวงพ่ออีกนิมนไวใช่ไหม อันนี้หลวงพ่อพูดอย่างนั้นอยู่เสมออันนี้ให้ฟังเอาไว้เหมือนกันไม่ว่าแต่พระไม่ว่าแต่ญาติโยมถ้าไม่เลื่อมใสศรัท ธ, ธาและอย่ามามาทาไมมาแล้วมันขวางมาแล้วไม่เกิดประโยชน์มาแล้วสร้างกรรมใส่ใจใส่จิตใส่ใจของตนเองอีกต่างหากอยู่เพื่ออะไรมาเพื่ออะไรมาอยู่ศึกษาเพื่ออะไรต้องการอะไรต้องการอะไรจากหลวงพ่ออิน แต่ขนาดหลวงพ่ออินยังไม่ต้องการตัวเองอยู่แล้วเนะี่ยจะทิ้งทั้งกระดูกอยู่แล้วเนะี่ยพวกท่านทั้งหลายจะมาหวังอะไรกับหลวงพ่ออินพวกท่านทั้งหลายต้องคิดคิดหลายๆมุมคิดหลายๆด้านนะวันนี้ทำไมหลวงพ่ออินเนี่ยพูดเด็ดเดี่ยวลึงพูดสุนทนรพจน์ในแก่พวกเราฟังมันมีเรื่องอยู่นิดหน่อยนะอันรับพรนะมุตนาให้พ